ขอถาบท่านว่าข้าพเจ้าอนุญาตเมื่อไหร่ที่อนุญาตให้ท่านได้เอาไม้เอาไม้ไปใช้นั้นอะ่ะเพราะว่าข้าพเจ้าอาจจะลืมก็ได้เพราะให้ท่านชี้แจงให้ข้าพเจ้าฟังดูเซิพระองค์นั้นก็บอกว่าเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชวันแรกแก็ได้ประกาศว่าน้ําก็ดีไม้ก็ดี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 ตามกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่โดยมากอย่างประเทศไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาโดยมากกฎหมายจะเอือเ้อเลวร์เดินตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าหรือศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลัพกพบางครั้งศีลและวินัยของเราเล้ำหนา ก, กว่าแข็งคลัตกว่าแต่กฎหมายบ้านเมืองนั้น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 เห็นว่าพระสงฆ์เห็นว่าควรจะถอดถอนก็ให้ถอดถอนได้นะให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาได้ถอดถอนได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งเสียกับพระอานนุ์เหมือนกันวันนั้นเมื่อวันสังขายานาพระพุทธเจ้าเมื่อสังขายานาเมื่อพระพุทธเจ้าพรินิพานไปแล้วเดือนหกเพน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 อย่างครูบาจานองค์ไหนก็ตามที่เป็นพะระเถระมหาเถระหรือันนั้นไปนอยู่ภายนอกพวกเราที่อยู่อยู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยห้ามไปพูดก้าวกายห้ามไปพูดล่วงเกินท่าน เ, าเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะได้ากาเปลียนกับ อ, อะไรเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเป็นผู้นิสัย